ปัจจะญปัจจะญานียนุโรมนเหตุตทุกกานึ่อยเก้าอารามานปัจจ cool er ัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอานันตรปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ นิสยปัจจ um ัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุปปัจจัยมีสองวาระ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 วิคตปัจจ <io> ัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระติกกนัย191สิาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุถูปัจจัยและนาอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนาเหตุถูปัจจัยและนาอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัย192สหชาตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยนะอารามานปัจจัยนะอธิปฏิปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัย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 วิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละทศกันหย193กับนเหตุตปัจจัยนอารามานปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนสมานันตรปัจจัยนาอัญญมัญญปัจจัย นัอุปนิสยปัจจัยนบปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยในมุงเล็บทุกปัจจัยจนถึงอาเสวนปัจจัยเหมือนกันเมื่อนับนักกรรมปัจจัยเข้าแล้วก็มีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัย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 นัอารามณปัจจัยนัอธิปติปัจจัยนัอนันตระปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสัยปัจจัยนับูเรชาตปัจจัยนับปัชชาตปัจจัยนัอาเสวณปัจจัยนักกรรมมปัจจัยนัวิปากปัจจัยและนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีสะไนัยเก้สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามนาปัจจัยณอธิปฏิปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอัญญมัญญะปัจจัยณอุปนิสติยปัจจัย นัปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยนกรมมปัจจัยนวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยบชานปัจจัยบมัคคปัจจัยบสัมปยุติปัจจัยบวิปยุติปปะใจโนนัตถิปัจจัยและโนวิคขตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปปะใจกับละมีหนึ่งวาระ อธิปัจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณะทุกกนัยเก้เหตุปัจจัยกับณอารามณะปัจจัยมีหวาระอธิปฏิปัจจัยกับณอารามณะปัจจัยมีหวาระสหชาตปัจจัยกับณอารามณะปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับณอารามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิตยปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระกัมมปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระอินทรียปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระชานะปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระ มัคคัปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระอวิกตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระติกไนัยเก้สหชาตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญะปัจจัยกับณอารามะนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตย์ญปัจจัยกับณอารามะนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับณอารามะนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับณอารามะนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับณอารามะนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อินทรียปัจจัยกับนารามณปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับนารามณปัจจัยและน่ะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนารามณปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนารามณปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับนารามณปัจจัยและนะเหตุปัจจัย มีหนึ่งวาระในมุงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีนเหตุปัจจัยเป็นมูลณนะอธิปฏิทุกกนัยเก้เหตุปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอนันตรปปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระ สมานันตะปัจจัยก Any ับนอธิปต cha ิปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระนิตยะปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิเตยปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระ อาเสวนาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ มัคคปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมีเก้าวาระนัถิปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมีสามวาระวิกตปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับณอธิปัติปัจจัยมี กวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสติญปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระ อาเสวะนะปัจจัยกับนะอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระกามะปัจจัยกับนะอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนะอธิปติปปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนะอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยกับนะอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ ชป no no ัจจ no ัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับ ณอธิปฏนะิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณทิปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตาปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระจะตุกไนสองไย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 วิปปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระย่อทุกขไัยมีนะอนันตรปัจจัยเป็นตน้น2อง เ, อเหตุปัจจัยกับณนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยณนะอัญญมัญญะปัจจัยแลนะณอุปนิสติยปัจจัยมีหาวาระ อธิปต ah ิปจจัยกับละมีหวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหวาระกรรมปัจจัยกับละมีหวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปจจัยกับละมีหวาระอินทริยปัจจัยกับละมีหวาระชานปัจจัยกับละมีหวาระ มัคคับปัจจัยกับละมีห้าวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระติกะนัย202สหชาตปัจจัยกับนะอุปนิสตยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะอุปนิสตยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิตยปัจจัยกับนัอุปนิทตยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนัอุปนิทตยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนัอุปนิทตยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนัอุปนิทตยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัอุปนิทตยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อินทริยปัจจัยกับนอุปนิศยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับนอุปนิศยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนอุปนิศยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนอุปนิศยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับนอุปนิศยปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อ นปุเรชาตทุกกันในสองร้อเหตุปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอารามานปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ สหชาตปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ วิปากปัจัยกับนปุเรชาตปัจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจัยมีเจวาระอินทรียปัจัยกับนปุเรชาตปัจัยมีเจดวาระชานปัจัยกับนปุเรชาตปัจัยมีเจดวาระมรคปัจัยกับนปุเรชาตปัจัยมีเจดวาระสัมปยุตต์ปัจัยกับนปุเรชาตปัจัยมีสวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิขตปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอวิขตปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระติกนัย204 อารามณปัจจ e An ัยก ah ับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ นิตยปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกามาปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิปากับปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรีย์ปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระ มัคคัจจ the the ัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสำปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุตุปจิตใมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุตุปจิตใมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุตุปจิตใมีสองวาระนัธถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิกตปัจจ <in> ัยก <in> ับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย2องสหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 อวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนปปัชชาตาทุกกไนัองร้ยหเหตุปัจจัยกับนปัชชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยกับนปัชชาชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนัชาตปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรัปัจจัยกับนปัชชาชาตปัจจัยมีสามวาระ สมานันตรปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนปัจชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญาัญญปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระนิตยะปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิตยะปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัปปฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ อาเสวนปัจจ er ัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสาวาระกามาปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอินตรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนัชานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระ มัคปัจจัยกับนปัิชาชาตปัจจัยมีก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปัิชาชาตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตต์ปัจจัยกับนปัิชาชาตปัจจัยมีก้าวาระอธิปัจจัยกับนปัิชาชาตปัจจัยมีก้าวาระนัธถิปัจจัยกับนปัิชาชาตปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนปัิชาชาตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัย กับนปัจฉาชาตปัจจัยมี๙วาระติกไน๒0 7อารามานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี๒วาระอนันตระปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี๒วาระสมนันตระปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี๒วาระ สหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยกับนปัจฉาชาติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวะนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระกามะปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระ อินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี2วาระชานปัจจัยกับนชานปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี2วาระมัคคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนัธถิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระ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 เหตุปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระอารัมณปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญะมัญญปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนิตยะปัจจัยกับนะอาเสวนปัจมีเก้าวาระอุปนิตยปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนะอาเสวนปัจมีเก้าวาระวิปากปัจจัยกับนะอาเสวนปัจมีหนึ่งวาระ อ, อาหารปัจจ no ัยกับน้อาเสวนปัจจัยมีก้าวาระอินตรียปัจจัยกับน้อาเสวนปัจจัยมีก้าวาระชาณปัจจัยกับน้อาเสวนปัจจัยมีก้าวาระมัคคะปัจจัยกับน้อาเสวนปัจจัยมีก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยกับน้อาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับน้อาเสวนปัจจัยมีก้าวาระ อธิปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9้าวาระนัิปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิขตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยมี9้าวาระติกนัหนสองอยสิบอารามนาปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระ อนันตระปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสมาันตระปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ นิตยปัจจัยกับนาอเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับนาอเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนาอเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระกามปัจจัยกับนาอเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนาอเสวนปัจจัยและนาเหตุปาจัยมีหนึ่งวาระ อาหาระปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระชาณปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิปย er ุตตาปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยกับและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาธิปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิขตปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ อวิกตปัจจัยกับณอาเสวนะนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย2ิ1เสหสชาตปัจจัยกับณอาเสวนะนปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตย์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ วิปากับปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวุงเร็บย่อนากรรมมทุกขไนสอย เหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสาวาระอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอนันตรัปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระสมนันตรัปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยมีสามวาระ นิตยญาปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยญาปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีสามวาระภูเรชาตปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยกับนกกมมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระอินตรียปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระ มัคคะปัจจัยก <oh ับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระสำปรยุติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระวิปปยุติปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีสามวาระวิกัตปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีสามวาระอวิกัตปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีสามวาระติกนัย สองร้อยสิามรมณปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิตยญาปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและน่ะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและนะเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ อินทรียป ah ัจจ euh ัยกับนกกรมปัจจัยและนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและน่ะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยและน่ะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาทีปัจจ like ัยกับนกรมมปัจจัยและนเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตตปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตตปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเจตุกไนัย2ิบสสหชาตปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยนเหตุุปปัจจัยและนอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นิสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนวิปากทุกกในัย2ิบเหตุปัจจัยกับนวิปากับปจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยกับนวิปากับปจัยมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๙วาระอนันตระปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๓วาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๓วาระศาชาตาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๙วาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๓วาระนิตยะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๙วาระ อุปนิสตยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระกรรมมปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระ ชาณปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระมัคคปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเก้าวาระนัธถิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระวิขตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระ อวิคตปัจจัยกับนวิปากัดปัจจ e ัยมี๙วาระติกไน๒๑๖อารามณปัจจัยกับนวิปากัดปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมี๒วาระอนันตารปัจจัยกับนวิปากัดปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมี๒วาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปากัดปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมี๒วาระ สหชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจ <corrid> จัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญะมัญญะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระ อาเสวะนปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินตรียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ มัคคปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและน่เหตุุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระ วิคตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัยสิบสหชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 สาชาตปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยะปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตรียปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระในมือเล็บย่อ ณอินทรียทุกกในัยสิบเกสาชาตปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระกามปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยกับอินทรียปิตปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุเล็บย่อนชานัตุกกาไนสองยยี่สอารมณปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสาหชาตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนชานปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิตยญาปัจจัยกับนัชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยญาปัจจัยกับนัชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระกามาปัจจัยกับนัชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนัชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตรียปัจจัยกับนัชานัปปัจจัยมีหนึ่งวาระ สัมปยุตตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธถิปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระมุงเด็บย่อนมคคติกนัย2 2่ส อารามณปัจจัยกับนามัคคปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหะชาตปัจจัยกับนามัคคปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นตยปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนาเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตทยญปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาอุปนิติยปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนาเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรรมปัจจัยกับนามัคคปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากัปัจจัยและนามัคคะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนามัคคปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนามัคคปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับนามัคคปัจจัยและนะเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ สัมปยุตตาปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมี1วาระวิปยุตตาปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมี1วาระนาฏิปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมี1วาระวิกตปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและน่ะเหตุุปัจจัยมี1วาระ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 อาหารปะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีห hmm. นึ่งวาระอวิคัตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนสัมปยุตตทุกไกนองร้ยยี่ เหตุปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัติปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระกรรมมปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ วิปากับปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระอินตริยปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระชาณปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระมัคคะปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระวิปยุตตัดปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนัสสัมปยุตต์จัยมีดวาระ อวิคตปัจจัยกับนัสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระติกนัยย24สหชาตปัจจัยกับนัสัมปยุตตะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนัสัมปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกับนัสัมปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกามะปัจ <viral> จัย <Pre> กับ <measure> น <goodness> ัสัมปยุตตะปัจจัยและนะเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปากราปจัยกับนสัมปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนสัมปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนสัมปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนสัมปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนวิปยุตตาทุกขนสองย2ี่สิบห้าเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจัยมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสามวาระอนันตรัปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสามวาระสมาันตรปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสามวาระสาชาตปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสามวาระนิตย์ญปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสามวาระอุปนิทย์ญปัจจัยกับนวิปยุต ตัปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสามวาระกรรมมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินตรียปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยมีสามวาระ มัคปัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระอวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตัจจัยมีสามวาระ ติกรณ์สอี่สิอารมณปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปปัจจัยมีสองวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิทยปัจจัยกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีวาระ อาหารปัจจ ah ัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอินตรียาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระชาณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีสองวาระ อธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจ pues <ença> ัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนาธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย227